รวมเรื่องที่มีในพิกุณีขันธกะพระนางมหาประชาบดีโคตมีทูลขอบรรพชาพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตทรงโปรดเวไนแล้วเสด็จจากกรุงกบิลลพัทไปกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมี ออกเดินทางไปกรุงเวสาลีมีพระบรกายเปรอะเปื่อนฝุ่นทุลีชี้แจงความประสงค์ต่อท่านพระอนนท์ที่ซุ้มประตูพระอนนท์กราบทูลแจ้งต่อพระผู้มีพระภาคว่ามาตุคามเป็นพภะบุคคลพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นพระมาตุฉาเป็นผู้เลี้ยงดูพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดคุธรรมแปดอย่าง ที่ภิกษุณีพึงประพฤติตลอดชีวิตคือ 1. ภิกษุณีบวชได้หนึ่งร้อยพรรษาต้องกราบไหว้ภิกษุแม้ที่บวชในวันนั้น 2. ไม่พึงจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. หวังธรรมสองอย่าง 4. ีปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายห ต้องครุธรรมพึงประพฤติปักขมานัดในสงฆ์สองฝ่าย 6. พึงสแสวงหาอุปสมบทเพื่อสิกขานาผู้ได้ศึกษาครบสองปี 7. ไม่ด่าภิกษุ 8. เปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนการรับครุธรรมแปดอย่างนั้นเป็นการอุปสมปทาของพระนางมหาประชาบดีโคตมี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ามาตุคามไม่ออกบวชสัตรธรรมจะตั้งอยู่ได้หนึ0งพันปีแต่เพราะมาตุคามออกบวชสัตรธ ร, รมจะตั้งอยู่ได้เพียงแค่ห้าร้อยปีความเสื่อมแห่งพระสัตรธรรมเปรียบเหมือนโจรลักทรัพย์หนอนขยอกเพล้ยการกำหนดให้มาตุคามผู้จะออกบวชต้องรับครุธธรรมแปอย่าง เปรียบเหมือนการกั้นทำนบที่ขอบสะใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลออกพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีต่อมาภิกษุณีสากิยาณีทั้งหลายกล่าวว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียังไม่ได้อุปสมบทเพราะรับแต่คารุธรรมพระนางมหาประชาบดีโคตมี กราบทูลขอให้ภิกษุและภิกษุณีอภิวาสกันตามลำดับพรรษาพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำอภิวาสมาตุคามปรัดวิธีปฏิบัติในสิกขาบทที่เป็นสาธารณบัญญัติและไม่เป็นสาธารณบัญญัติทรงแสดงหลักตัดสินพระธรรมวินยัยปรัดเรื่องปาติโมก และบุคคลที่ควรยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุณีต่อมาภิกษุทั้งหลายเข้าไปที่สำนักภิกษุณียกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพระผู้มีพระภาคทรงห้ามต่อมาภิกษุณีทั้งหลายไม่รู้วิธีทำคืนอาบัติทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิบายให้ภิกษุณีทราบได้ต่อมาภิกษุณีไม่ทำ ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุณีเกี่ยวกับวิธีทำคืนอาบัติวิธีรับอาบัติทรงอนุญาตให้ภิกษุทำกรรมแก่ภิกษุณีคนทั้งหลายตำหนิทรงอนุญาตให้ภิกษุณีทำแก่ภิกษุณีด้วยกันต่อมาภิกษุณีทั้งหลายทะเลาะวิวาทกันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ มอบการลงโทษของภิกษุณีให้แก่ภิกษุณีภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีอุบลว น, นาเรียนวินัยจนสติฟั่นเฟือนพวกภิกษุฉับพักขีใช้น้ำโคลนรดภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีฉับพักขีใช้น้ำโคลนรดภิกษุทั้งหลายในกรุงสาวัตถีด้วยหวังจะให้ฝ่ายตรงข้ามรับ พระผู้มีพระภาคทรงให้ภิกษุณีประกาศว่าภิกษุนั้นไม่ควรไหว้ต่อมาพวกภิกษุจับพักคีเปิดกายเปิดขาอ่อนเปิดองคชาติอวดภิกษุณีพูดเกี้ยวภิกษุณีพูดชักชวนบุรุษมาคบหาภิกษุณีภิกษุนั้นภิกษุณีไม่ควรไหว้พวกภิกษุณีฉับพักคีก็ทำเช่นเดียวกัน พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ลงธนกรรมโดยการห้ามปรามภิกษุและภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นเมื่อห้ามปรามไม่เชื่อพึงงดโอวาทไม่ควรทำอุโบสถกับภิกษุภิกษุณีผู้ถูกงดโอวาทต่อมาพระอุทายีงดโอวาทแล้วหลีกไปพระผู้มีพระภาคทรงห้ามทำเช่นนั้น ทรงห้ามภิกษุโง่เขลางดโอวาททรงห้ามงดโอวาท ด, ด้วยเรื่องที่ไม่สมควรทรงห้ามงดโอวาทโดยไม่ให้คำวินิจฉัยทรงกำหนดให้ภิกษุณีสงต้องไปรับโอวาททรงห้ามภิกษุณีห้ารูปไปรับโอวาททรงอนุญาตให้ภิกษุณีสองถึงสรูปไปรับโอวาท ต่อมาภิกษุรูปหนึ่งไม่รับให้โอวาทพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดให้ภิกษุต้องรับให้โอวาททรงกำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าภิกษุโง่เขลาภิกษุอาพาธภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไม่ต้องรับให้โอวาทแต่ภิกษุผู้อยู่ป่าต้องรับให้โอวาททรงกำหนดว่าภิกษุทั้งหลายให้โอวาทแล้วต้องบอก รับให้โอวาทแล้วต้องกลับมาบอกต่อมาภิกษุณีใช้ประคดเอวผืนยาวรัดสีข้างใช้แผ่นไม้สารแผ่นหนังผ้าขาวช้องผ้าเกลียวผ้าผ้าผืนเล็กช้องผ้าผืนเล็กเกลียวผ้าผืนเล็กช้องถักด้วยได้เกลียวได้รัดสีข้างใช้กระดูกแข้งโคขัดสีตะโพก ใช้ไม้มีสันฐานดุดคางโคนวดตะโภคนวดมือนวดหลังมือนวดเท้านวดหลังเท้านวดขาอ่อนนวดหน้านวดริมฝีปากต่อมาพวกภิกษุณีฉับพักขีทาหน้าถูหน้าผัดหน้าใช้มโนศิลาเจิมหน้าย้อมตัวย้อมหน้าย้อมทั้งตัวทั้งหน้าทั้งสองอย่าง แ้มหน้าทาแก้มเล่นหูเล่นตายืนแอ บ, บที่ประตูให้ผู้อื่นฟ้อนรำตั้งสำนักหญิงแพทย์สยาตั้งร้านขายสุราขายเนื้อออกร้านขายของเบ็ดตเตล็ดประกอบการค้าขายใช้ทาตทาสีกรรมกรชายหญิงให้ปรนิบัติให้สัตว์เดรัจฉานปรนนิบัติขายของสดและของสุก ใช้สันถัดขนเจียมหล่อต่อมาภิกษุณีฉับพักขีห่มจีวรสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีดำสีแสดสีชมพูจีวรไม่ตัดชายมีชายยาวมีชายเป็นลายดอกไม้มีชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกต่อมา เมื่อภิกษุณีสิกขมานาสามเณรีถึงแก่มรณภาพภิกษุณีสง์เป็นใหญ่ในบริขารที่ภิกษุณีเป็นต้นนั้นมอบให้เมื่อภิกษุณีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและใครอื่นปลงบริขารให้ภิกษุสง์เป็นใหญ่ภิกษุณีอดีตพันรยานักมวย ใช้ไหลกระแทกภิกษุทุพพลภาพรูปหนึ่งภิกษุณีรูปหนึ่งใช้บาดใส่ทารกของหญิงคนหนึ่งที่แทงออกมาพระผู้มีพระภาคทรงกาหนดให้ภิกษุณีเมื่อพบภิกษุต้องแสดงบาดให้ดูภิกษุณีรูปหนึ่งแสดงก้นบาดภิกษุณีทั้งหลายเพ่งดูองค์ชาติของบุรุษที่เขาทิ้งไว้กลางถนน ภิกษุทั้งหลายให้อามิตรมากมายแก่ภิกษุณีภิกษุณีทั้งหลายมีอามิตรเหลือเฟื่อทรงอนุญาตให้ถวายเป็นของส่วนบุคคลทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอามิตรที่ภิกษุเก็บไว้มาบริโภคได้ทรงอนุญาตให้ภิษษกษุรับอามิตรที่ภิกษุณีทั้งหลายเก็บไว้มาบริโภคได้เช่นกัน ภิกษุณีรูปหนึ่งมีระดูนั่งบ้างนอนบ้างทําให้เสนาสะนะเปื้อนโลหิตพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าผลัดเปลี่ยนทรงอนุญาตผ้าซับในทรงอนุญาตให้ใช้เชือกฟันผูกสะเอวในเวลาที่มีระดูไม่ควรผูกไว้ตลอดเวลาภิกษุณีบางพวกเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏว่า ไม่มีเครื่องหมายเพศบ้างสักแต่ว่ามีเครื่องหมายเพศบ้างไม่มีประจำเดือนบ้างมีประจำเดือนไม่หยุดบ้างใช้ผ้าซับเสมอบ้างเป็นคนไหลซึมบ้างมีเดือยบ้างเป็นบันดอกหญิงบ้างมีลักษณะคล้ายชายบ้างมีทวารหนักทวารเบาติดกันบ้างมีสองเพศบ้างพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตให้สอบถามอันตรายิกธรรมว่าเธอไม่มีเครื่องหมายเพศหรือจนถึงคาว่าเธอเป็นคนสองเพศหรือแล้วถามว่าเป็นโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูเป็นมนุษย์หรือเป็นหญิงหรือเป็นไทยหรือไม่มีนี่สินหรือไม่เป็นราชพัตร์หรือ บิดามารดาอนุญาตแล้วหรือสามีอนุญาตแล้วหรือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วหรือมีบาจีวรครบแล้วหรือชื่ออะไรประวัตินีของเธอชื่ออะไรรวม24อย่างแล้วให้อุปสมบทต่อมาอุปสัมปทาเปกขายังไม่ได้สอนซ้อมเกิดความละอายท่ามกลางสง ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีสอนซ้อมสตรีอุปสมปทาเปกขาก่อนทรงอนุญาตให้ถืออุปชาในเบื้องต้นต่อจากนั้นจึงบอกสังคาติอุตราสงอันตรวาศผ้ารัตถันผ้าอาบน้ำแล้วบอกให้ยืนณมุมหนึ่งที่ห่างออกไปต่อมาภิกษุณีโง่เขารูปหนึ่งทำหน้าที่สอนซ้อม พระผู้มีพระภาคทรงกําหนดว่าภิกษุณีไม่ได้รับแต่งตั้งไม่ควรสอนซ้อมถามอันตรายิกธรรมภิกษุณีอุปสมบทในภิกษุสง์ฝ่ายเดียวต้องอุปสมบทในภิกษุสง์อื่นอีกหลังจากที่อุปสมบทในฝ่ายภิกษุสง์แล้วพึงวัดเงาแดดบอกประมาณฤดูบอกส่วนแห่งวันบอกสังคีติ บอกนิสัยสาอกรณียกิจ8ต่อมาภิกษุณีโยกย้ายที่นั่งจนล่วงเวลาพระผู้มีพระภาคทรงให้นั่งตามลำดับพรรษาสําหรับภิกษุณีแปดรูปที่เหลืออนุญาตตามลำดับที่มาในที่ทุกแห่งต่อมาภิกษุณีไม่ปวารณากันทรงกำหนดให้ภิกษุณีปวารณา เมื่อปวารณาก็ไม่ปวารณากับภิกษุสงฆ์ทรงกาหนดให้ปวารณาในภิกษุสงฆ์ด้วยเกิดความจุลมุนในขณะปวารณาพร้อมกับภิกษุไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีปวารณาพร้อมกับภิกษุไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีปวารณากันในเวลาก่อนพัตตาหารต่อมาภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในเวลาวิกาล ทรงอนุญาตให้ปวารณากันเองวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นจึงปวารณาในภิกษุสงฆ์เมื่อภิกษุณีปวารณาเกิดชุลมุนทรงอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นตัวแทนปวารณาในภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไม่ให้ภิกษุณีงดอุโบสถปวารณาสอบถามเริ่มอนุวาทาทิกรขอโอกาสโจทย์ และให้การแต่ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำอย่างนั้นแก่ภิกษุณีได้ทรงห้ามภิกษุณีโดยสารยานพาหนะยกเว้นภิกษุณีผู้เป็นไข่ทรงอนุญาตยานพาหนะที่เทียมด้วยโคเพศเมียยานพาหนะที่เทียมด้วยโคเพศผู้ยานพาหนะที่ใช้มือลากไปภิกษุณีรูปหนึ่งไม่สบายอย่างหนัก เพราะยานพาหนะกระเทือนทรงอนุญาตวอและเปลหามหญิงแพทย์สยาชื่ออัฏฐกาสีบวชในสำนักภิกษุณีต้องการจะไปกรุงสาวัตถีเพื่ออุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแต่มีโจรแอบซุ่มอยู่ในหนทางพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยทูตโดยมีภิกษุณีเป็นทูต ทรงห้ามอุปสมบทภิกษุณีโดยมีภิกษุศิกขานาสามเณรสามเณรีหรือภิกษุณีผู้โง่เขลาเป็นทูตต่อมาภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ในป่าถูกโจรประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคทรงห้ามภิกษุณีอยู่ป่าทรงอนุญาตโรงเก็บของที่อยู่นวกรรมและเมื่อนวกรรมไม่เพียงพอ ก็สามารถทาเป็นของส่วนตัวได้ต่อมาสตรีคนหนึ่งมีคันบวชในสำนักภิกษุณีคลอดบุตรพระผู้มีพระภาคทรงห้ามอยู่เพียงลำพังทรงห้ามภิกษุณีนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับเด็กทรงอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุณีเป็นเพื่อนของภิกษุณีผู้ต้องอาบัตหนักกำลังประพฤตมานัด ทรงวางข้อกำหนดว่าภิกษุณีสึกออกไปโดยไม่บอกคืนสิกขาถือว่าได้สึกไปแล้วไม่ทรงอนุญาตให้บวชภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปเข้ารีดเดียรถ์ถีภิกษุณีบางพวกไม่ยินดีการกราบการปลงผมการตัดเล็บการรักษาแผลจากพวกบุรุษพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ยินดีได้ ไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีนั่งขัดสมาธิทรงอนุญาตให้ภิกษุณีเป็นไข่นั่งกึ่งขัดสมาธิไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีถ่ายอุจจาระในวัดจักกูดีใช้จุรนส่งน้าใช้ดินเหนียวอบกลิ่นส่งน้าในเรือนไฟส่งน้ำทวนกระแสส่งน้ำในที่ไม่ใช่ท่าน้ำ ส่งน้ำที่ท่าของผู้ชายพระนางมหาประชาบดีโคตมีและท่านพระอานตน์กราบทูลขออย่างระมัดระวังพุทธบริษัทสบรรพชาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ทรงแสดงขันธกะนี้ไว้เพื่อให้เกิดความสังเวชและความเจริญแห่งพระสัทธรรม เหมือนเพศสัตว์สำหรับระงับความกระวนกระวายสตรีเหล่าอื่นที่ได้ฝึกฝนดีแล้วในพระสัทธรรมอย่างนี้ย่อมไปสู่สถานที่อันไม่จุติซึ่งไปแล้วจะไม่เศร้าโศกพิกขุนีขันธกะจบ